ดินร่วนล้วนดินเห น, นียวล้วนดินมีหินผสมนิดหน่อยดินมีกรวดผสมนิดหน่อยดินมีกระเบื้องผสมนิดหน่อยดินมีแร่ผสมนิดหน่อยดินมีทรายผสมนิดหน่อยดินร่วนเป็นส่วนมาก funnel. ดินเหนียวเป็นส่วนมากแม้ดินที่ยังไม่เผาไฟก็เรียกว่าดินแท้กองดินร่วนหรือดินเหนียวที่ฝนตกรถเกินสี่เดือนก็เรียกว่าดินแท้ที่เชื่อว่าดินไม่แท้คือหินล้วนดินมีก <ri> <multicultural S 2> รวดล้วน ดินมีกระเบื้องล้วนดินมีแร่ล้วนดินมีทรายล้วนดินมีดินเร่วนผสมนิดหน่อยดินมีดินเหนียวผสมนิดหน่อยดินมีหินมากดินมีกรวดมากดินมีกระเบื้องมากดินมีแร่มากดินมีทรายมากแม้ดินที่เผาไฟแล้วก็เรียกว่าดินไม่แท้กองดินร่วนหรือดินเหนียวที่ฝนตกรถยังไม่ถึงสี่เดือนก็เรียกว่าดินไม่แท้คําว่าขุดคือภิกษุขุดเองต้องอบัติปาจิตตี คำว่าใช้ให้ขุดคือภิกษุใช้ผู้อื่นให้ขุดต้องอบัตปาจิตตีภิกษุสั่งครั้งเดียวเขาขุดหลายครั้งต้องอบัตปาจิตตี